สุดการทำบุญที่ประเสริฐมีผู้กราบเรียนว่าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงบทความเรื่องการทำบุญว่าสวดมนต์บทเดียวดีกว่าตักบาตรร้อยครั้งเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่ลุงพ่อเมตตาตอบว่าทั้งใช่และไม่ใช่นั่นแหละมันอยู่ที่ใจทีนี้ตักบาตรเนี่ย ต้องไปตักบาตรกับพระใช่ไหมถ้าหากว่าคุณเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คุณไม่ดีคุณไปตักบาตรพระล้านครั้งไม่เท่าคุณยื่นอาหารให้คุณพ่อคุณแม่คุณรับประทานเพียงครั้งเดียวนี่คัดค้านหนังสือพิมพ์คนเราในเมื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ดีไปเที่ยวหาเลี้ยงคนอื่นมันจะมีประโยชน์อะไรบางทีเราทากับข้าวส่งกลิ่นหอมฉุยยายแก่ได้กลิ่น เดินมือไพลหลังเดินท่อมทอมอุ๊ยนี่น่ารับประทานจังเลยแม่ขอชิมหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฉันจะไปทําบุญอย่ามายุ่งยิ่แก่เนี่ตกนรกตายเลยนี่คือสูตรแห่งการทําบุญมาตาปิดตุอุปัฏฐานังเลี้ยงดูบิดามารดาให้ดีเอตัมมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุด แม้แต่พวกพูดผีปีศาจยักษ์โขอะไรเวลามันทะเลาะกันมามันเถียงกันคําว่าท่านต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ใช่ไหมนี่มันจะย้อนถามกันเสมอพระปิตุลากับลักษมณ์เถียงกันพระปิตุลาว่าลักษมณ์เด็กน้อยจองหองถ้าไม่นึกสงสารจะฆ่ามันเสียเดี๋ยวนี้ลักษมณ์ก็คว้าลูกศรเราเป็นวันณักษัตริย์ไม่เคยปฏิเสธคําท้าใคร แต่ว่าเราเป็นวันนักษัตริย์ 1. ไม่ฆ่าสมณะพราหมณ์ 2. ไม่ฆ่าผู้หญิงสมไม่ฆ่าโคนี่เพราะประเพณีอันนี้มันบังคับเราอยู่ไม่งั้นพระปิตุลาแหลกไปเดี๋ยวนี้แล้วท่านบำเพ็ญตบะเดชะสำเร็จอิทธิฤทธิ์ทำไมมีแต่ความโหดร้ายทำไมไม่มีความดีสักหน่อยหนึ่งท่านไม่เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ท่านหรือยอย่างไร ลักษมันต่อว่าคนแก่เพราะฉะนั้นทำบุญอันใดหนอจะไปวิเศษยิ่งกว่าการทำบุญกับพ่อกับแม่เขาลงหนังสือพิมพ์อย่างนั้นว่าตักบาตร้อยครั้งไม่เท่าสวดมนต์บทหนึ่งแต่ถ้าเราตักบาตรตักบาตรนี่มันมาจากไหนปฏิสังขายนิโสปิท ป, ปาตังปฏิเสวามิ แปลออกมาว่าการบินทบาทหรือการตักบาททีนี้เราเอายอดมันเลยอันนั้นมันเป็นหลักสูตรทีนี้เราเอายอดคือการทำเลยทีเดียวแต่เราอาจจะสวดมนต์ไม่เป็นเมื่อเราทำด้วยจิตใจที่ศรัทธาแน่วแน่มันก็เป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลแม้ว่าเราสวดมนต์ไม่เป็นก็ตาม แม้เราจะสวดมนต์ไม่เป็นแม้ว่าเราไม่ออกปากสวดมนต์แต่จิตของเราก็สวดมนต์อยู่แล้วสวดอะไรสวดพุดโทโธพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือใจรู้รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเราจึงรู้จักทำบุญใช่ไหมนี่แค่นี้จบสวดมนต์ 84,000 พันพระธรรมขันเลย เพราะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวหาเชื่อคำสัพเพเหระอะไรต่างๆการทำดีนั่นแหละยอดแห่งความดีการพูดดีนั่นแหละเป็นยอดแห่งความดีการคิดดีนั่นแหละเป็นยอดแห่งความดี